บทภาชณีปาจิตตีห้าร้อิกษุพิสทำกล่องเข็มที่ตนทำคัา้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตติ ป, ปาจิตตีพิสูจน์ใช้ผู้อื่นให้ทำกล่องเข็มที่ตนทำคร้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัตติปาจิตตีพิสูจน์ทำกล่องเข็มที่ผู้อื่นทำคั้งไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตติปาจิตตีพิสูจน์ใช้ผู้อื่นให้ทำกล่องเข็มที่ผู้อื่นทำคัา้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัตติปาจิตตีทุกกฎ ภิกษุทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอบิษฐุ ก, กฎภิกษุได้กลองเข็มที่ผู้อื่นทำไว้มาใช้สอยต้องอััษฐุ ก, กฎ